นนผู้ใฝ่ในธรรมผู้ใฝ่ในอริยธรรมผู้ใฝ่ในความเจริญเติบโตขึ้นยิ่งยิ่งของกุศลธรรมผู้ที่ฝักใฝ่การเจริญเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายผู้นั้นจะไม่เสื่อมอย่างนีนะอย่างที่พระองค์บอกว่าถ้าหากว่าภิกษุทั้งหลายยังน้อมเจริญโพชงเจริญอ่าโพ ช, ชงเจริญองค์มรรคเป็นต้นพระภิกษุเหล่านั้นจะไม่เสื่อมอย่างแน่นอน เป็นอับปริหารยธรรมคือถ้ายัางเจริญสติสัมโพชงเป็นต้นอยู่ก็จะไม่เสื่อมถ้าจิตน้อมไปเพื่อจะเจริญคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้อยู่ตราบใดก็จะไม่เสื่อมตราบนั้นเนี่ยนะอันสำคัญว่าน้อมไปเพื่อจะเจริญเนี่ยแล้วเราตั้งจิตยังไงจะใจของเราจึงน้อมไปเพื่อเจริญเหล่านั้นอันนี้แหละต้องมีแผนการทางความคิดเนี่ยนะว่ามีวิธีการทางความคิดไอ้แผนการที่ตั้งไว้เพื่อจะ คิดเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิทิต้องตั้งจิตน้อมจิตเพื่อให้คุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เจริญขึ้นเพราะความคิดของเราเชื่อเถอะไม่ยอมคิดเรื่องนี้เหล่านี้ง่ายๆฉันแรกก่อนมันคิดเรื่องสีทั้งหลายเรื่องวิวทิวทัศธาสถานที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นเป็นต้นหรือที่เห็นแล้วก็อยากเห็นอีกไม่ได้เห็นมาตั้งนานแล้วโดยมากใจมันก็น้อมไปเพื่อเห็นภาพน้อมไปเพื่อดูภาพ บางทีก็น้มไปเพื่อฟังเสียงน้อมไปเพื่อรู้กลิ่นน้อมไปเพื่อทานอาหารบางอย่างที่ตัวเองอยากจะรับประทานน้อมไปเพื่ออิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งน้อมไปเดินไปยืนไปนั่งไปโน่นหรืออาจจะน้อมไปหากระทบสัมผัสน้อมไปหาอุณหภูมิเป็นต้นที่ตัวเองพอใจเนี่ยนะมันก็น้อมไม่พ้นรูปเสียงกลิ่นรสไอการที่เราน้อมไม่พ้นรูปเสียงกลิ่นรสโปรตพะทั้งหลายอันนี้แหละเรียกว่าการมัตยาสัยสมบูรณ์แบบเนี่ยนะ ก็ว่ามีอ ah. ัธยาศัยน so ้อมไปในการมเมื่ออ er ัธยาศัยน้อมไปในการมมันพ้นทุกข์ไม่ได้มันพ้นทุกข์ไม่ได้เมื่อพ้นทุกข์ไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าเรามีอัธยาศัยน้อมไปในการมก็ต้องสร้างอัธยาศัยใหม่ๆคือให้เกิดขึ้นเนี่ยนะต้องน้อมสร้างอัธยาศัยในศีลในสมถะและวิปัสสนาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มันน้อมเอาใหม่ขึ้นทางนั้นแหละฝึกขึ้นทางนั้นแหละเนี่ยนะ อย่าไปคิดว่าแม้ถ้าเราไม่ได้สั่งสมมามทาไงดีน้อมน้อมที่จะฝึกน้อมที่จะเจริญว่าก็ทําไงตั้งจิตตุ บ, บาทสิพระองค์บอกว่าจิตตุ บ, บาทที่เกิดขึ้นยังมีอุปการะมากสร้างความคิดที่เป็นไปในกุศลธรรมทั้งหลายเน้อ ตั้งจิตทีใ่ให้คุณธรรมทั้งหลายเจริญขึ้นในอิริยาบถ ท, ทั้งหลายนี่แหละคือสิ่งที่มีอุปการะมากเราจะตั้งจิตให้กุศลธรรมเนี่ยเกิดขึ้นในทุกอิริยาบถเป็นต้นได้อย่างไรเนี่ยนะทีนี้เราก็มาตั้งว่าต้องสมาทานบ่อยแค่ไหนต้องอะไรยังไงจะต้องมีข้อมูลประกอบอย่างไรเนี่ยเรียก ว, ว่าโครงการโครงการเหล่านี้เนี่ยนะเขาคิดกันเป็นเขาอกวตลอดชีวิตเนี่ยนะถ้าคนที่สร้างบุญมาหลายๆชาติมาแล้วก็ ก็โครงการเขาไม่กี่วันเขาก็ทําสําเร็จแล้วเนี่ยนะกระวอกแล้วแต่โครงการใครอ่ะนะบอกคนมีปัญญาอ่ากระว่าคนมีตังเนี่ยนะน้อมไปจะสร้างบ้านเนี่ยช่างกระวบของมีพร้อมช่างมีพร้อมก็ไม่กี่วันเขาก็ได้บ้านอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยบอกมีแผนที่จะสร้างบ้านโอยงานอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่คิดว่าอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งนะเหมือนคนต่างจังหวัดเนี่ยมาเข้ากรุงเทพเนี่ยนะไม่มีตังมาด้วยสักบาทนึ่ความรู้ก็ไม่มีแต่อยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งในกรุงเทพทําไง ก็ถือว่ายากถามว่าเป็นไปได้ไหมบอกว่าเป็นไปได้แต่ให้เวลาหน่อยก็แล้วกันเนี่ยนะสิบยี่สิบปีสามสิบปีเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเถอะแต่ว่าชั้นใดก็ดีคนที่ไม่มีอัธยาศัยในมรรคผล เราอย่าไปแข่งกับพระนางอนางวิสาขาอายุเจ็ดขวบเลยนะอย่าไปแข่งกับใครอันอย่าไปแข่งกับอนาถาบินธิกะเศรษฐีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งเดียวแล้วบรรลุเลยเพราะเขาเหล่านั้นเขาสั่งสมบุญไว้เยอะเนี่ยนะเขาเขาเป็นคนที่มีบุญมากเขาเมื่อเขามีบุญมากสิ่งที่เป็นปัญหาของเขามันน้อยมากเลยเนี่ยนะ แต่ถ้าหากว่าคนบุญน้อยทั้งหลายทํำยังไงเนี่ยนะคนบุญน้อยทั้งหลายตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าควรที่จะสังเวชตัวเองเหมือนกันนะว่าเออน้าสังเวทเมื่อน่าสังเวทแล้วถามว่าทำยังไงสังเวทเป็นเหตุให้เกิดความเพียร น, นะนะความสังเวทเป็นเหตุให้น้อมไปเพื่อละกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้ละความสังเวทนี่แหละเป็นเหตุให้เจริญกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เจริญหรือเจริญรักษาความต่อนเนื่องแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ เจริญแล้วพันให้กุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเจริญต่อไปอย่างต่อเนื่องความเจริญขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเจริญเท่าใดคุณธรรมเหล่านั้นแหละที่นําออกจากทุกเนี่ยนะคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะคือโดยเฉพาะโพธิปักจะธรรมที่น้อมไปเพื่อความรู้ยิ่งน้อมไปเพื่อความตรัสรู้น้อมไปเพื่อพระนิพพานเนี่ยคุณธรรมเหล่านี้แหละเป็นคุณธรรมที่นําออกจากทุกขเพราะฉะคุณธรรมที่จะนําออกจากทุกเนี่ยนะ อันนี้แหละเราต้องมารวบรวมให้เกิดขึ้นในในใจของเราทีนี้ปัจจัยที่จะให้กุศลธรรมมันเจริญขึ้นเืออะไรก็คือการฟังธรรมเป็นต้นการใส่ใจในพระธรรมยังไงก็ต้องวนกลับมาหาพุ้ทางธรร ม, มังสังขังสรารนังคฉ า, ามิเพราะว่าธรรมทั้งมวลที่พูดถึงเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราจะทํำยังไงที่จะเจริญงอกงามในพระธรร ม, มวินัยของพระองค์อันนี้ก็ต้องมา ปรับทัศนคติของเราว่าทำอย่างไรเราจะเจริญงอกงามในธรรมวินัยของพระองค์เพราะว่าถ้าเจริญงอกงามในธรรมวินัยของพระองค์เท่าใดเราก็ไม่เสื่อมตราบนั้นแต่ถ้าเราไม่เจริญในคุณธรรมเมื่อใดเราก็เสื่อมก็ความเสื่อมที่เสียหายเสื่อมแล้วเสื่อมยิ่งเสื่อมเท่าใดยิ่งเสียหายมากก็คือความเสื่อมแห่งกุศลธรรมไม่มีความเสื่อมใดจะเสียหายเท่ากับ ความเสื่อมจากกุศลธรรมไม่มีความเจริญเหล่าใดที่จะเจริญพิเศษยิ่งขึ้นตลอดไปเท่ากับความเจริญแห่งกุศลธรรมเนี่ยเพราเราพยายามตั้งไว้ที่จะให้กุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปแต่คําว่ากุศลเนี่ยเป็ น, ป น, ปนคําพูดที่กว้างแต่กุศลในที่นี้ล็อกพิเศษว่าเน้นพิเศษคือกุศลธรรมที่ที่เป็นความประสงค์ของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์แสดงธรรมทั้งหมดเนี่ยเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีย์พะละพ่อชองและองค์มรรคให้เจริญขึ้นมันพระองค์แสดงธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ยิ่งความรู้ยิ่งเหล่านี้ที่จะนําออกจากทุกเนี่ยนะมันไอความรู้ยิ่งเหล่านี้นี่แหละที่เป็นตัวไปดับอวิชชาเนี่ยนะความรู้ยิ่งนี่แหละเป็นตัวดับอวิชชาความ ความรู้ยิ่งที่เป็นการกำหนดรอบรู้นี่แหละเป็นตัวอัดับอวิชชาความละอวิชชาปัญญาที่ดับอวิชชาแสงสว่างที่น้อมไปดับอวิชชานั่นแหละเป็นเป็นธรรมะที่นำออกจากพบเป็นกุศลธรรมที่นำออกจากพบเนี่ยนะนี่มาขึ้นคุณธรรมข้อใหม่จากปัญหาถามตอบในทั้งสิบหกปัญหาเนี่ยนะให้รู้เธอว่า จากการถามการตอบโดยเนื้อหาอัตตะของของพยัญชนะของผู้ถามผู้ตอบถือว่าเป็นการถามการตอบจนถึงภูมิของพระอาหารหันต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเป็นพระอาหารหันต์อุปโตภาอุปโตวิโมกด้วยหลุดพ้นโดยส่วนสองเนี่ยนะหลุดพ้นจากรูปประพบทั้งหลายด้วยอรูปฌานหลุดพ้นจากนามทั้งหลายหลุดพ้นจากอรูปประพบด้วยอริยมรรคทั้งหลาย ห, หลุดพ้นโดย ส่วนสองเมื่อหลุดพ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะทีนี้ต่อไปก็มามาดูกำลังของผู้ที่เป็นระารหารว่าท่านนียเป็นผู้ชำนาญในสมถะภะและวิปัสนาภะความเป็นผู้ชำนาญในสมถะระและวิปัสนาภะนั่นแหละ เป็นเหตุให้เข้านิโรธสมาบัติพันผู้ที่เข้านิโรธสมาบัตินั้นต้องเป็นผู้ที่ชำนาญมากพันขั้นก็เลยคำถามเกี่ยวกับเรื่องฌานเป็นผู้ที่รอบรู้ในเรื่องของปฐมฌานเป็นต้นเป็นอย่างดีพันอ่แล้วก็รู้วิธีการละองฌานทั้งหลายเนี่ยนะละละองฌานทั้งหลายจึงจะเข้าสมาบัติได้ในข้อ4 9 9รกพระมหากรทิตาก็ถามต่อไปว่าเออท่านครับ ชาญที่หนึ่งเนี่ยเป็นชะไหอย่าลืมว่าเป็นการถามถามแบบลักษณะอนุปปภานิโรธสมาบัติกเนี่ยนะเป็นการถามาลักษณะของธรรมที่ดับโดยลําดับเนี่ยนะเช่นว่าปฐมชาญเนี่ยดับอะไรดับนิวรณ์ธุติยะชาญดับวิตกวิจารตติยะชาญเนี่ยดับปีติจตุธาชาญเนี่ยดับสุขอ่ะนะอากาสารัญจายตนาเนี่ยนะดับรูปชาญทั้งหมด วิญญาณัญจายตนะดับอาคาษาอากินจัญญายตนะดับวิญญาณัญจายตนะเนวะนี้ดับอากินจัญญายตนะนิโรสมาบัติก็ดับสัญญาและเวทนาทั้งหลายเนี่ยนะแั้นก็มาค่อยๆไล่ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปบอกว่าฌานที่หนึ่งเป็นไหง ภาษาริบบทก็ตอบว่าอาวุโสภิกษุในศาสนานี้สงัดจากกามทั้งหลายเนี่ยนะสัดจากกามก็คือสงัดจากวัตถุกามและกิเลสกามได้จริงๆแล้วก็สงัดวิเวกเนี่ยนะก็คือจากอากุศลทั้งหลายที่อยู่ภายในเนี่ยนะเข้าถึงปฐมฌานที่ยังประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกนี่แหละเรียกว่าฌานที่หนึ่ง ฌานที่หนึ่งนั้นสังกัดจากอากุศลสงกัดจากนิวรณ์หรือฌานที่หนึ่งเนี่ยดับนิวรณ์ได้เนี่ยนะดับนิวรณ์โดยวิขมพนาปหาญแล้วก็ประกอบด้วยปุตตกวิจารณปีติสุขเกิดจากวิเวกสมาธินั้นเป็นเอกะขคตาเนี่ยนะสมาธินั้นเป็นเอกะขคตาแล้วก็เป็นระดับอัปปนาเนี่ยนะเป็นเอกะขคตาระดับอัปปนาที่แนบแน่นมั่นคงในอารมณ์เนี่ยนะ แล้วชานที่1มีองค์เท่าไหร่เขาบอกว่าชานที่1มีองค์5องค์หก็คือวิตกหนึ่งสองวิจารสามปีติ4สุข5้าเอากะขะตาเนี่ยนะเอกะขะตาชานที่หนึ่งเนี่ยน ะ, ะถึงพร้อมด้วยองค์5เพราะฉะนั้นปฐมชาญจึงมีองค์5คือวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาเนี่ยนะแล้วชานที่หนึ่งเนี่ยนะละละอะไร ละองเท่าไรแล้วก็ประกอบด้วยองเท่าไร่เพราะว่าคนที่ได้ชานเนี่ยนะชานเนี่ยบางทีแปลว่าเพ่งกับแปลว่าเผ า, า น, นะนะเผาเนี่ยผาอะไรก็เผาปฏิปักษธรรมเพ่งอะไรเพ่งอารมณ์ทีนี้คุณสมบัติของคุณธรรมที่ไปเพ่งอารมณ์มีอะไรบ้างถ้าว่าชาณปัจจัยเนี่ยน ะ, อ, ะองชาที่เป็นชานปจาัจจัยที่ถ้ารวบรวมทำให้ได้อัปปนาเนี่ยมีอะไรบ้างก็บอกว่าชานที่หนึ่งประกอบไปด้วยองห้า แล้วก็ละองห้าละองห้าประกอบด้วยองห้าคืออะไรคือเมื่อภิกษุเข้าฌานที่หนึ่งเนี่ยนะกามฉันทะก็ถูกละออกไปพยาบาทก็ละออกไปมันปฐมฌานละกามฉันทะนิวรณ์ละพยาบาทนิวรณ์ละถีณมิทะนิวรณ์ละอุทะจักกุกุจานิวรณ์แล้วก็ละวิจิกิจฉานุนิวรณ์เนี่ยนะอันปฐมฌานละนิวรณ์หปฐมฌานละนิวรณ์หประกอบพร้อมด้วยองค์าคือวิตกวิจารณ์ปีติสุข และเอกกัคตายานะจิตเตกัคตาความเป็นเอกกัคตาแห่งจิตระดับอัปปนาเนี่ยนะระดับอัปปนาวิตกเนละอะไรวิตกละอะไรทีนามิทะวิจารละอะไระละวิจิกิจชาเนี่ยน ะ, ะปีติละพยาบาทเนี่ยนะปีติละพยาบาทสุกละอะไรสุกละอะไร สุขเน่จะละอุทะจักกุกุจะนะเอกคตาลกามฉันทะคิดง่ายง่ว่าเอกคตาลกามฉันทะปีติละพยาบาทเนี่ยนะสุขละอุทะจักกุกุจะวิตกละอะไรทีนามิทะจารละละวิจิกิจชัดคือสรุปว่ า, าคุณธรรมเนี่ยนะคุณธรรมคือองค์ฌานทั้งห้าเนี่ยนะที่ประกอบไปด้วยวิตกวิจารณปีติสุขเอกคตาเนี่ย เป็นการรวมกันแห่งธรรมทั้งหลายอย่างเป็นปึกแผ่งแล้วก็ขมนิวรเนี่ยนะขมนิวรคําว่าขมเนี่ยขมเหมือนอะไรเหมือนเหมือนเอาหม้อใหญ่ๆ ห, หนักๆเนี่ยนะตกลงไปในบ่อน้ําที่มีจอกมีแหนเนี่ยนะแหนก็กระดอนกระดอนออกไปเนี่ยนะขณะที่หม้อนเนี่ยนะหนักๆตกลงไปในในบ่อน้ําเนี่ยพวกแหนมันแแกออกไปชานทั้งหลายก็ลักษณะนั้น อกุศลธรรมทั้งหลายก็แหวกออกไปไกลแต่ว่าเมื่อออกจากฌานมาแล้วก็ประมาทเมื่อไหรก็นิวรก็เข้ามาแทรกตามเดิมเนี่ยนะ